ด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้แล้วว่าเหตุดังนิสัยของคนบางคนจึงเปลี่ยนไปได้หลังจากตายแล้วทั้งๆที่ข้าพเจ้าเคยพูดว่านิสัยของคนหลังจากตายไปแล้วนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยคำกล่าวสองประโยคนี้ดูเหมือนว่าจะขัดกันเหมือนตรงกันข้ามแต่ท่านก็จะเห็นได้แล้วว่ามิได้ขัดกันเลยในสมัยที่ทุกคนยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้น เป็นการยากเหลือเกินที่เราจะรู้จักตนเองหรือผู้อื่นตามความเป็นจริงอันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเขาเมื่อเราผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้และมองย้อนหลังกลับไปดูชีวิตของเราบางตอนในโลกมนุษย์เรามักจะอดสลดสังเวชใจตนเองไม่ได้ที่ในขณะนั้นช่างมีความลงผิดคิดว่าตนเองเป็นคนสาคัญเอามากๆและจากความลงผิดนี้เองทำให้เราเกิดมานะและอหังการ กลายเป็นคนยกตนข่มท่านบ้างหรือกลายเป็นคนมีอารมณ์พลุ่งพล่านบ้างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยน้อยประจำวันแต่เมื่อเรามาอยู่ในที่นี้แล้วก็ได้เห็นความจริงเกี่ยวกับตนเองคือเรารู้ว่าตนเองมีความสำคัญน้อยนิดเหลือเกินเหตุนี้เองจึงทำให้เราโดยมากเปลี่ยนไปได้เกือบจะเป็นคนละคนอย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่เป็นลักษณะประจา ต, ตัวต่างๆของเรานอกจากนี้ ก็ไม่ได้สูญเสียไปเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราได้สร้างสรรและสะสมไว้แต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์มันจึงเป็นวิบากของเราเองโดยเฉพาะแต่ละคนซึ่งทาให้เราแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะตัวรสนิยมและความถนัดไปคนละทางความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าจําต้องกล่าวให้ท่านทราบไว้เพื่อกันความเข้าใจผิดที่จะเกิดมีขึ้นได้ว่าเราทุกคนในที่นี้ มีลักษณะอุปนิสัยใจคอและรสนิยมเหมือนกันหมดเหมือนกับวัตถุที่ผลิตออกมาจากเครื่องจักรฉะนั้นอันที่จริงสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันหมดก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจในโลกมนุษย์ท่านจะรู้สึกอย่างท่องแท้ไม่ได้หรือว่าความสุขของชีวิตนั้นมีความหมายหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรเพราะในโลกมนุษย์ มีความทุกข์ยากขับแค้นและความกดดันนานาประการซึ่งทําให้ชีวิตมีความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เมื่อท่านได้ผ่านเข้ามาสู่ภูมิทิศเช่นนี้แล้วท่านจะเข้าใจได้โดยทันทีละทองแท้ว่าการดารงชีวิตอยู่นั้นให้ความสุขสําราญแก่เราอย่างยิ่งเพียงใดอันที่จริงชาวโลกทิศบางคนที่กลับไปติดต่อกับมนุษย์นั้นไม่เคยกล้าที่จะแสดงความปิติยินดีออกมาเต็มที่นัก เพราะเกรงว่าเมื่อเพื่อนมนุษย์ของเขาได้เห็นหรือได้ทราบเขา้าก็อาจจะไม่เชื่อแตะอาจจะถึงกับตกอกตกใจคิดว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากยังเข้าใจพวกเราไม่ถูกต้องทำให้เกิดความไม่เป็นกันเองเพราะเขาคิดว่าเรากับเขาอยู่คนละโลกบางครั้งจึงแสดงความศรัทธาและนับถือเลื่อมใสกันมากเกินไป ซึ่งพวกเราเองก็ไม่ค่อยชอบบรรยากาศของการต้อนรับแบบนี้นักคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่มนุษย์อย่างเขาแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเทวดาไปซสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาที่มนุษย์จะต้อนรับแต่ละทีจึงต้องมีพิธีการอันลึกลับศักดิ์สิทธิ์และวิจิตพิสดารต่างๆสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมชาติของเราหรือเป็นที่ชื่นชอบของพวกเราเลย เราดูๆแล้วมันก็เป็นเสมือนของปลอมหรือของเทียมทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้สนิทอันที่จริงเราต้องการจะติดต่อกับท่านอย่างที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นเองแล้วเราก็ต้องการที่ท่านอยู่ในฐานะเดิมเช่นเดียวกับเมื่อเราเคยอยู่เหมือนกันพวกเราชาวโลกทิพย์อดแปลกใจไม่ได้เสมอที่เหตุดมนุษย์จึงปฏิบัติต่อเราเสมือนกับเราเป็นคนอื่นชนั้น ด้วยเหตุผลสักแต่ว่าเราได้จากเขาไปสู่โลกอื่นแล้วเท่านั้นเองเพราะการจากไปหรือที่สมมติเรียกกันว่าความตายนี้อันที่จริงก็เป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นเองข้อเท็จจริงก็มีอยู่แต่เพียงว่าเราได้ละทิ้งกายเนื้อซึ่งเป็นเครื่องมือชั่วคราวไว้เบื้องหลังแล้วมาถือเอาชีวิตใหม่ในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าและสูงกว่าโลกมนุษย์ สิ่งที่ชาวโลกกลัวกันนักหนาและที่เขาตั้งชื่อว่าความตายนั้นเป็นเพียงกระบวนการธรรมชาติเหลือเกินเป็นปกติธรรมดาเหลือเกินและไม่มีความเจ็บปวดอย่างใดเลยท่านลองนึกว่าสมมุติว่าท่านมีเสื้อเก่าวตัวหนึ่งซึ่งขาดผุพังใช้ไม่ได้เก่าไปแล้วท่านก็จะถอดมันทิ้งไปแล้วก็หาตัวใหม่มาสวมใส่แทนการถอดเสื้อตัวเก่าออกเช่นนี้ ทำให้ท่านเจ็บปวดอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าดังนั้นความตายซึ่งเป็นเสมือนการถอดเสื้อตัวเก่าทิ้งไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีความเจ็บปวดหรือน่าสยดสยองแต่อย่างใดและเสื้อตัวใหม่หรือว่าโลกใหม่ชีวิตใหม่ที่รอเราอยู่เบื้องหน้านั้นก็เป็นโลกจริงชีวิตจริงมีความเที่ยงแท้ถาวรทุกประการบุคคลผู้ที่อยู่ในโลกใหม่ และมีชีวิตใหม่เหล่านี้ก็เป็นคนจริงๆมีเลือดมีเนื้อเช่นเดียวกับท่านและก็เป็นคนที่ครั้งหนึ่งได้เคยกินเคยนอนเคยเดินไปมาอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกับท่านนั่นเองคำอธิบายจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่28 ที่ขาพเจ้าต้องหมายเหตุเอาไว้อีกก็เพราะข้อความในตอนนี้เป็นข้อความที่มีความหมายชัดเจนที่จะแสดงให้เห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายเปรียบเหมือนการถอดเสื้อตัวเก่าออกการเกิดใหม่เปรียบเหมือนเอาเสื้อตัวใหม่มาสวมแทนซึ่งอุปมาข้อนี้อาจจะทาให้เห็นไปว่ามติของท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันเป็นศาสทิฏฐิการยึดถือว่าเที่ยงซึ่งเป็นมติ ทิทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความจริงท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันก็เป็นสัสตตตถิฐิจริงๆเพราะท่านถือว่าคนเรามีอัตตาที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไม่มีวันตายหรือไม่มีวันแตกดับแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้ว่าคนที่เป็นสัสตตตฐิยังจะไปเกิดในสวรรค์ได้แต่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ ส่วนคนที่เป็นอุเฉธาทิฏฐิคือพวกที่เห็นว่าตายแล้วสูญเป็นพวกวัตถุนิยมนั้นพวกนี้แม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้พวกนี้เมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่าง ไ, างงงไรก็ดีการเปรียบเทียบการตายและการเกิดว่าเหมือนการถอดเสื้อตัวเก่าแล้วเอาเสื้อตัวใหม่มาใส่แทนนั้นเป็นคาอุปมาที่เข้าใจง่าย แต่ก็ต้องระวังให้ดีว่าตามหลักที่แท้จริงนั้นคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณก็ดับและในขณะจิตต่อมาวิญญาณก็เกิดใหม่อีกมีนามรูปอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกไม่ใช่วิญญาณอันเก่านามรูปอันเก่ากลับมาเกิดเหมือนกับต้นมะพร้าวหรือต้นไม้ทั่วไปต้นที่เกิดใหม่ลูกที่เกิดใหม่ไม่ใช่ต้นเดิมไม่ใช่ลูกเดิม แต่เป็นต้นที่เกิดใหม่ลูกที่เกิดใหม่ทั้งหมดแต่ที่มันเหมือนอันเก่าก็เพราะมันสืบเนื่องมาจากอันเก่าถ้าหากเรามองเห็นอนัตตาเข้าใจเรื่องอนัตตาเป็นอย่างดีแล้วเราอาจจะใช้อุปมาอย่างไรก็ได้จะไม่ทำให้เราเข้าใจผิดแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงแท้แล้วอุปมาทุกอย่างทาให้คนเราลงผิดได้เสมอ กลับเข้าเนื้อหาในหนังสือนะครับ